มาขันมาขันธิยสุตตนิเทศที่เก้านะเล่มหกสิบห้าหน้าแปดร้อยหนึ่งคือถ้าเล่าค้าท้าวความเรื่องหนึ่งนะนิดหนึ่งก็คื อ, อพระผู้มีพระภาคไปที่แคว้นกุรุะผมก็จะไปโปรดมาคันธิยะพราหมณ์กับนางพราหมณีเนี่ยทีนี้มาคันธิยะพรามณ์กับนางพรามณีมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่านางมาคันธยานี่ยสวยมาก คนก็มาขอกันเยอะเนี่ยนะเพื่อนางเนี่ยสวยผิวเหมือนทองเลยนางมาคันธยาเนี่ยความที่เป็นคนสวยพรามเขาก็ถือว่าเขาจะต้องให้คนที่สวยเหมือนกับลูกสาวเขาต้องให้ผู้ชายที่แต่งงานด้วยต้องสวยจึงแก่ยกให้อันใครม า, าขอก็ไม่ยอมยกให้สักคนหนึ่งมีวันหนึ่งเนี่ยพรามนี่เขาไปธุระนอกบ้านไปเห็นพระพุทธเจ้า ก็บอกว่ายกว่าโอ้สมณะเนี่ยท่านเหมาะสมกับลูกสาวข้าพเจ้าที่สุดเหมือนกันข้าพเจ้าขอยกลูกสาวให้นะท่านรออยู่นี่นะพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรนะพระองค์ก็รับคําอ่ะรับฟังอ่ะพราหมณก ก, ว, กวีก็วาดกลับไปบ้านเลยสั่งให้พระมณีเนี่ยแต่งตัวลูกสาวอย่างเยี่ยมให้แต่งตัวให้สวยนะ น, นะเจอแล้วผู้ชายที่สมควรกับลูกสาวของเรานางพระมณีก็แต่งตัวให้ชวนกันมา ประชาชนเขาก็แห่กันมาดูเอ๊ะใครมันจะสวยขนาดไหนถึงกับมาคันธยพรามเนี่ยยกลูกสาวให้นะมันเป็นเรื่องแปลกอะไงั้นเนี่ยคนอื่นเขามาขอตั้งเยอะแยะไม่ยอมยกให้อนะ่ะทีนี้ไปพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากมาคันธยพรามพระองค์ก็อธิษฐานรอยพระบาทเอาไว้นะแล้วพระองค์ก็เสด็จไปทีนี้พอพราหมณ์กับพรามมณีจูงลูกสาวมาที่แต่งตัวสวยมาแล้วเนี่ยก็มาพรามมณีก็ถามพราหมว่อ้าวไหนะพระสัมมาาที่เธอว่า ก็บอกอ้าวตรงนี้เมื่อกี้อยู่แถวนี้แหละบา ง, งั้นก็ดูไปดูมาก็เห็นรอยเท้านางพราหมณีนี่เขาเรียนวิชาลักษณะมาเรื่องรอยเท้าเรื่องอะไรเรียนนะเขาเรียนมาก็เห็นรอยเท้าอ้าวรอยเท้าแบบนี้ไม่ใช่คนบริโภคกามเนี่ยนะนะรอยเท้าอย่างนี้มันรอยเท้าคนมีกิเลสนะไอคนไม่มีกิเลสไม่บริโภคกามหรอก น, นะพราม์ขาก็ด่าเมียเขาว่าเธอนี่ก็หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเงมนมนั่นแหละบา ง, งันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เลยชวน ไปว่าเนี่ยข้าพเจ้ายกลูกสาวให้มา ง, งั้น <c oughs> ทีนี้พระองค์ก็บอกว่าอฟังนะเราจะเล่าประวัติของเราให้ฟังหน่อยว่าพระองค์เนี่ยมาอย่างไงนะเล่าประวัติย่อๆไม่ฟังจนถึงกับว่ามาที่ต้นพระสีมหาโพนี่นะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่สัปดาห์หนึ่งที่พระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะพยามารเข้ามาขีดเส้นสิบหกเส้นว่า สิทธิษฐานี้ท่านบำเพ็ญทานบารมีมาเราไม่ได้บำเพ็ญทานบารมีมาเนี่ยก็ไล่ไปจนถึงว่าสิทธิษฐานี้บำเพ็ญบารมีสิบแต่เราไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบสิทธิษฐานี้ได้อาสาธารณญาณหกเราไม่ได้ก็ขีดสิบเส้นเฉะนั้นพระเอามาในเขาสีใจามากลูกสาวพญ า, า ม, มาทั้งสามคนคือนางตันหานางอรดีนางอราราคาเนี่ยเอ๊พ่อเราเนี่ไปอยู่ที่ไหนเนะไปเห็นพ่อใ น, นสีใจานั่งขีดเป็นเดินอยู่ ก็เลยบอกว่าใครทําให้พระองค์เสียใจเมืองกันก็บอกว่าเนี่ยศิทธิฐานเนี่ยล่วงพน้นวิสัยของเราไปแล้วเหมัน้นกันนางทั้งสามก็อาสาอาสาว่าจะไปยั่วยวนมืองกันจะไปให้ตกอยู่ในอํานาจเนี่ยนะนางอราคานางอรดีนั้นก็ไปปรากฏต่อหน้าว่าจะขอเป็นบำคนบําเรอท่านเหมั้งกันสมณะนะแล้วก็ เนรมิตร่างกายของตัวเองเนี่ยนะให้ตามวัยต่างๆสวยร่ายรำเขาบอกว่าคนถ้าตั้งใจดูเนี่ยนะถ้าเป็นคนมีกิเลสตั้งใจดูเนี่ยถ้าไม่ได้นางเหล่านั้นอกจะแตกใจ น, นะราคานี่จะเผาขนาดนั้นแต่พระองค์เนี่ยอินทรสังวรไม่ได้มนสิการอารมณ์เหล่านั้นอันพระองค์ก็เล่าให้ฟังว่านะเล่าให้พราหมณ์ฟังอ่ะนะที่ชวนลูกสาวมาว่าแม้ความพอใจในเะมถุนธรรมก็ไม่ได้มีแก่เราเนี่ย เพราะเห็นนางตันหานางอรดีและนางราคาเลยความพอใจในมีถุนธรรมฉนันจักมีเพราะเห็นสรีระอันเต็มไปด้วยมูดและคูดนี้เล่าเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องสรีระนั้นแม้ด้วยเท้าไม่ต้องการแตะเนื้อต้องตัวลูกสาวท่านแม้ด้วยเท้าว่า ง, งั้นจริงก็จากคถานี้เหมือนกันนะนะนางก็ผูกพยาบาทเนีนะนะคือถ้าบอกว่า พระพุทธเจ้ารู้ไหมว่านางจะต้องพยาบาทพระองค์รู้แต่พระองค์ไม่ได้มนสิการเนี่ยนะมนสิการเฉพาะผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเพราะว่าจากจบสูตรนี้เนี่ยมาคันธยาพรามณกับพรามณีนี้บรรลุเป็นพระนาคามีเนี่ยนะนนก็ปรารบเอาพ่อแม่เป็นหลักไม่ได้มนสิการลูกสาวใ <c oughs> นภาษาริบุตรท่านอธิบายคาถาที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่า แม้ความพอใจในเมถุนธรรมก็ไม่ได้มีเพราะเห็นนางตันหานางอรดีและนางราคาเลยความว่าความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในเมถุนธรรมไม่ได้มีเพราะเห็นประสบมานที่ดาคือนางตันหานางอรดีและนางราคาความพอใจในเมถุนธรรมฉฉนจักมีเพราะเห็นสรีระอันเต็มไปด้วยมูดและคู่นี้เราเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องสรีระนั้นแม้ด้วยเท้า ก็อธิบายว่าความพอใจในเะมถุนธรรมฉันใดจกมีเพราะเห็นสรีระนี้อันเต็มไปด้วยมูดเต็มไปด้วยคูดเต็มไปด้วยเสมหะเต็มไปด้วยเลือดมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องผูกพันไว้มีเลือดแล็ดเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาอันหนังหุ้มห่อไว้มีผิวหนังปิดบังไว้มีช่องน้อยและช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกเป็นปกติอันหมู่นอนอยู่อาศัยบริบูรณ์ด้วยมนทินโทษ ต, ต่างๆ เราไม่ปรารถนาจะเหยียบด้วยเท้าการสั่งว่าหรือการสมาคมจกมีมาแต่ไหนเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญบริบูรณ์ด้วยกายคตาสติอยู่แล้วนนะออเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยพิจารณาพวกผมคนเล็บเข้าชานได้หมดเนี่ยนะทุกอารมณ์เนี่ยนะผมคนเล็บฟันนั้งเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยด้วยอสุภาชานเนี่ยพระ อ, องค์ชํานาญในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเนื่องจากพระ อ, องค์นี้กําจัด ตันหาด้วยอนาคามีมักแล้วก็เป็นผู้มากด้วยอสุภาสัญญาอยู่อย่างนี้นันก็ไม่ปรารถนาจะแตะต้องสรีระนั้นแม้ด้วยเท้าเนี่ยนะก็เนื่องจากว่ารอบร่้นะพระองค์นี่มองทะลุโ ป, ป, ป, ปรงหมดจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเนี่ยนะกลางคืนเดือนมืดเอางาไปไว้ซ่อนไว้ในที่มืดห่างส6หกกิโลเมตรท่านยังมองเห็นเนี่ยนะมองลงดินเนี่ยนะมองทะลุดินิบหกิโลเมตรอ น, นะหนึ่งยอะ แล้วก็แค่ร่างกายทําไมท่านอย่ามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยไม่ต้องไปตาที่อะไรหรอก น, นะแล้ขณะเดียวกันท่านก็เจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็พูดคํานี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเนี่ยนะว่าสรุปคาถาว่าแม้ความพอใจในเมถุนธรรมก็ไม่ได้มีเพราะเห็นนางตันหานางอรดีและนางราคาเลยความพอใจในเมถุนธรรมฉนัยจักมีเพราะเห็นสรีระอันเต็มไปด้วยมูดและคูดนี้เล่า เราไม่ปรารถนาจะแตะต้องสรีระนั้นแม้ด้วยเท้า <c oughs> ทีนี้มาคันธยพราหมกก็ถามว่าถ้าท่านไม่ปรารถนานารีผู้เป็นอิทธิรัตนะเช่นนี้ที่พระราชาเป็นอันมากผู้เป็นใหญ่กว่านรชนปรารถนากันแล้วซ้ายท่านย่อมกล่าวทิฐิศีลพรตชีวิตและอุบัต พบว่าเป็นเช่นไรนนะก็ถามหลักการลัทธิของพระพุทธเจ้านะว่าท่านมีลัทธิยังไงมีศีลยังไงมีวัดยังไงมีชีวิตยังไงแล้วไปเกิดในภพหน้าต่อไปยังไงแสดงว่าต้องแน่จริงอะนะขนาดว่าเนี่ยสารีรัตนะที่พระราชาเป็นอันมากมาสู่ขออะเขาท่านยังไม่เอาเลยนะแล้วหลักการของท่านเป็นยังไงคําสอนของท่านเป็นยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่า การถึงความตกลงใจในธรรมะทั้งหลายแล้วถือมั่นว่าเราสิ่งนี้ดังนี้ไม่มีแกเราคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดถือว่าเป็นเป็นเราอะนะเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายไม่ยึดถือเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ได้เห็นแล้วซึ่งความสงบภายในนี่นะเพราะคือเห็นโทษในทิฏฐินะไม่ยึดถือแล้วก็มีการวิเคราะห์เลือกเฟ้นจนเห็นอริยสัจจนถึงความสงบภายในด้วยอรหัตผล ซึ่งภาษาริบุตรอนิเทศว่าเรากล่าวสิ่งนี้ดังนี้ว่าเราย่อมไม่มีแก่เราคาว่าเรากล่าวสิ่งนี้ความว่าเรากล่าวสิ่งนี้คือย่อมกล่าวสิ่งนี้สิ่งนั้นกล่าวเท่านั้นกล่าวโดยเหตุนั้นกล่าวที่ถิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นนี้แหละพันธุ์ไอการกล่าวด้วยทิฏฐิหกสิบสองไม่ได้มีแก่พระพุทธเจ้าอันตักคาฮิกะทิฐิสิบก็ไม่มีสาหรับพระพุทธเจ้า ที่บอกว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงสัตว์ตายแล้วเป็นอีกสัตว์ตายแล้วไม่เป็นอีกชีบก็อันนั้นสรีระกก็อันนั้นชีบอันอื่นสรีระกษ่อนอื่นเนี่ยนะพวกรัฐที่เหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้กล่าวแบบนั้นคำว่าย่อมไม่มีแกเรานั้นคำ ว, ว่ามิได้มีแกเราเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเรากล่าวสิ่งนั้นคือทิฐินั้นอ่ะไม่ได้มีแกเรา <c oughs> คำว่าการถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นความว่าธรรมะธรรมทั้งหลายก็คือทิฏีหกสิ62เนี่ยนะไอ้คำว่าความตกลงใจในทิฏีหกสิ62แล้วถือมั่นเนี่ยไม่มีแก่เราความว่าตัดสินแล้วชี้ขาดค้นหาแสวงหาเทียบเคียงตรวจตราสอบสวนทําให้แจ่มแจ้งแล้วจึงจับมั่นยึดมั่นถือมั่นรวบถือรวมถือรวมถือคือความถือความยึดถือความติดมั่น ความถือมั่นความน้อมใจเชื่อว่าสิ่งนี้จริงแน่นอนเป็นไปตามสภาพไม่ได้วิปริตย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้คือเป็นธรรมะอันตราคตละตัดขาดสงบประงับดับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสี็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นการถึงความตกลงใจในทิฏฐิ62แล้วถือมั่นเนี่ยไม่มีสาหรับพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นด้วยอนานาจทิฏฐิ 62, แม้แต่นิดเดียว เราเห็นโทษในทิ่ฐิทั้งหลายแล้วไม่ยึดถือความว่าเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่ยึดถือคือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นซึ่งทิ่ฐิทั้งหลาย น, นะคือเพราะเห็นโทษของทิฏฐิเป็นอย่างดีใช่ไหมโทษของทิฏฐิเป็นยังไงถ้าถือมั่นในชาตินี้พบต่อไปก็คติสองของทิฐิคือนรกกับเดรฉ า, านน่นะ อีกอย่างหนึ่งทิฏฐิทั้งหลายเราไม่พึงถือไม่พึงยึดมั่นไม่พึงถือมั่นเพราะฉะนั้นเรานี่เห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย lair, <ด>จึงไม่ยึดถืออีกอย่างหนึ่งเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายว่าทิฏฐินี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าว่า voilà, ทิฏฐิอันนั้นเนี่ยเป็นทิฏฐิที่รกเป็นเสี้ยนน้ําเป็นข้าศึกดิน้นรนเป็นเครื่องประกอบมีทุกข์เป็นความลําบากคับแค้นเร่าร้อนนะถ้ายึดถือละทิฏฐิเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่าย น, นะถ้ายึดถือว่าโลกเที่ยงวิปัสนา LIKE. ไม่ได้เจริญขึ้นอะไรเลยไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดคืออรยิยมรรคเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับคือ น, นิพพานไม่เป็นไปเพื่อความสงบคือนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคืออรยิยมรรคไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้คืออริยมรรคไม่เป็นไปเพื่อนิพพานไอตัวทิฏฐินะอันตักคาหิกะทิฏฐิทิฏฐิที่ถือว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอาณาชีพ ก้อนนั้นสรีระ ก, ก็อนนั้นสัตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกอ่ะไอท้ทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยตัวทิฏฐิทั้งรกทั้งเป็นเสี้ยนน้ำเป็นข้าศึกดิ้นรนเป็นเครื่องประกอบมีทุกข์ลำบากทำให้คับแค้นทำให้เลาร้อนไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนามักผลนิพพานอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโทษอย่างนั้นแล้วจึงไม่ถือไม่รูปคลาไม่ยึดมั่นซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งที่ิฏฐ์ทั้งหลายของเราไม่ที่เราไม่พึงถือไม่พึงยึดมั่นไม่พึงถือมั่นแม้ด้วยเหตุนี้เพราะเราจึงเห็นโทษในทิฏฐินะทิฏฐ์อันอื่นก็เหมือนกันนะที่ว่าโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก่อนนั้นสรีรักก่อนนั้นชีพก่อันอื่นสิริรักก่อนอื่นสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีเป็นอีกก็หาไม่ได้ไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้เนี่ยก็ตรงนี้เรียกว่าอันตักคาฮิกะทิฏฐ์มีวัตถุสิบ ทิฏฐิทั้งหมดที่กล่าวไปเ cosmos, นี่ยเป็นที่ถิที่รกมันเป็นเหมือนเส้นหนามมันเป็นค่าศึกศัตรูเนี่ยนะมันดิ้นรนได้ไม่แน่นอนหรอกเป็นเครื่องประกอบเอาไว้กับทุกขมันมีทุกขมีความลําบากขับแค้นเร่าร้อนไม่ได้เป็นไปเพื่อเพื่อความเบื่อหน่ายคือวิปัสสนาไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกําหนัดคืออริยมรรคเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับคือนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบ ไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคืออริยมรรคไม่ได้เป็นไปเพื่อตรัสรู้คืออริยมรรคเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพานเพราะว่าลัทธิทิฏฐิที่กล่าวไปไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนามักผลนิพานเนี่ยแล้วตัวทิฏฐิเองก็เลวร้ายเนี่ยมันจึงไม่ถือไม่รูปคลําไม่ยึดมั่นซึ่งทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายว่าทิฏฐิเหล่านี้อันบุคคลถืออย่างนี้รูปคล้ำอย่างนี้มีคติอย่างนี้มีพบหน้าอย่างนี้จึงไม่รูปคล้ำไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐินะนะอีกอย่างหนึ่งเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายว่าทิฏฐิเหล่านี้เป็นไปเพื่อให้เกิดในนรกเพื่อให้เกิดในกำเนิดสัตยรชาญเป็นไปเพื่อเกิดในเปรตติวิสัยไอตัวทิฏฐิเองตัวทิฏฐิเกิดมาก็เสียหายสร้างคนอื่นไม่ให้ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ผลของทิฐิก็คือนรกเปรตเดรฉ า, านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่รูปคลําไม่ยึดมั่นซึ่งทิฐิอีกอย่างหนึ่งทิฐิทั้งหลายเราไม่พึงถือไม่พึงยึดมั่นไม่พึงถือมั่นแม้ด้วยเหตุ น, นี้จึงชื่อว่าเราในเห็นเห็นโทษของทิฐิแล้วไม่ยึดมั่นอีกอย่างหนึ่งเราเห็นโทษในทิฐิทั้งหลายว่าทิฐิเหล่านี้ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นสภาวะของทิฏฐิเองก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอะไรมันจึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นอีกอย่างหนึ่งทิฏฐิทั้งหลายเราไม่พึงถือไม่พึงรูปคลําไม่พึงรูปคล้าไม่พึงยึดมั่นเพราะฉะนั้นเราเห็นโทษของทิฏฐิแล้วจึงไม่ยึดถือนะไหม ก็ตัวที่ถีก็เลวร้ายทั้งขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ผลของมันก็เลวร้ายต่อไปในภพหน้า